5.19 แผ่เมตตากับแผ่ส่วนบุญไม่เหมือนกันวงเล็บเปิด1มกราคม2550ในวงเล็บสองจุดจุดนาที6วงเล็บปิดแผ่เมตตากับแผ่ส่วนบุญไม่เหมือนกันนะคนละอันแผ่เมตตาคือแผ่ความรู้สึกเป็นมิตรออกไปเมตากับคําว่ามิตรคําเดียวกันเมตตาไมตรีคําเดียวกันกระทั่งเมตไตรยะนะชื่อพระศีอานเมตตรยะไ ม, ต ร, ะมตรีคาเดียวกัน ถ้าแผ่ความรู้สึกเป็นมิตรแกสิ่งทั้งหลายก็เรียกว่าแผ่เมตตาถ้าระลึกถึงสัตว์ทั้งหลายขอให้มีส่วนได้รับผลบุญของเราเรียกว่าแผ่ส่วนบุญสองอันไม่เหมือนกันใช้คนละ ก, กรณีด้วยนะอย่างเวลาเปรดมาหาเราเนี่ยไม่ใช่แผ่เมตตานะต้องแผ่ส่วนบุญ